ชื่นใจเกิดมาชาตินี้ได้สร้างความดีเพิ่มบุญให้แก่ตนแม้ยากลำบากลำบนก็สู้อดทนสร้างบารมีความแก่ความชราไม่ต้องหามาเราได้ฟ ร, ฟรีแต่การได้บารมีไม่ได้ฟรีฟร ทุนทุกวันทุกวินาทีคิดสร้างความดีนแต่เรื่องทำบุญบุญญาจึงได้เกื้อหนุนช่วยทำจุนชีพให้สุงสบายปีที่แกใได้สร้างบารมีนึกถึ ง, งวันที่ผ่านมา